สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคําข้อที่4นะครับคือกฎแห่งความเป็นและความตายในเช้าวันนี้เรามาถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไรบ้างในเช้าวันนี้เราจะมาแบ่งปันจากพระเจ้าของพระเจ้า ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพั่อับพระคัะมภีร์นั้นได้บรรยายถึงการที่คริสเตียนเราเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเรามีชีวิตคำว่ามีชีวิตนั้นมีความหมายสามประการด้วยกันก็คือว่าประการแรกมีชีวิตกับพระเจ้าประการที่สองมีชีวิตกับพระเยซูคริสต์และประการที่3ก็คือ มีชีวิตอยู่เพื่อดําเนินตามคลองธรรมพี่น้องข้าพรเจนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์หมายความว่ายอมมอบถวายตัวให้กับพระองค์การมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูนั้นเมื่อเรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ถวายตัวของเราให้กับพระองค์แล้วแล้วก็พระองค์ก็จะเป็น ผู้ที่ทรงใช้เราทรงใช้เราให้เป็นภาชนะของพระองค์ครับเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของพระองค์ในการทําสิ่งที่พระองค์ได้ตั้งพระไถไว้ในชีวิตของเราทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทําเพราะว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อให้น้ำพระไถของพระเจ้าสําเร็จครับและในข้อที่13ของโรมบทที่6บทเดียวกันนั้น พื่กังพีได้เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าทีนี้ครับการที่เรานั้นได้รับความรอดเราเหมือนคนที่เป็นขึ้นเหจากความตายแล้วนั้นเราต้องให้อวัยวะของเราเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการชอบธรรมครับเป็นของถวายแด่พระเจ้านั่นคือ ความหมายของการมีชีวิตกับพระเจ้าการมีชีวิตกับพระเจ้านั้นถามว่ายากหรือง่ายในสายตาของมนุษย์ครับไม่ง่ายครับมันยากพอสมควรเลยทีเดียวแต่พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าคอยช่วยเหลือเราทั้งหลายในการที่เราจะมีชีวิตที่ถวายแด่พระองค์ ยกอาววะของเราให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายเด่พระเจ้ามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าครับประการที่2ก็คือมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเยซูคริสต์พระกัมพีฟลิปปีบทที่1ข้อ21บอ็บอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเยซูการตายก็ได้กำไรมีความหมาย3าประการครับเป็น3ประการย่อยๆสามะกัน ประการแรกก็คือ 1. มีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสเพื่อให้น้ำพระทยและพันธกิจของพระเยซูที่มอบหมายกับเรานั้นสำเร็จประการที่สองก็คืออาศัยพระคริสพึ่งพาพระองค์พึ่งพาในฤทธเดชและการทรงนำของพระองค์ครับชีวิตของเรานั้นถ้าจะอยู่เพื่อพระคริส ต, ต้องพึ่งพาพระองค์ต้องอาศัยพระองค์ครับ ประการที่3อยู่แบบพระคิตหรืออยู่อย่างพระคิดนั่นหมายถึงการสำแดงพระฉายของพระองค์ให้ปรากฏออกมาเพร่ะการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิตนั้นมี3ความหมายครับคืออยู่เพื่อพระคิตทาให้น้ามัไถพระเจ้าสำเร็จอยู่โดยอาศัยพระคิดพึ่งพาในฤทธิ์เดชและการทรงนำของพระเจ้าอยู่แบบพระคิดหรืออยู่อย่างพระคิดก็คือ สำแดงพระฉายของพระเจ้าออกมาพี่น้องครับคำว่าคริสเตียนหรือคริสชนแปลว่าพระคริสบวกกับคำว่าคนครับพระคริสบวกกับคำว่าคนหมายถึงคนที่เชื่อในพระเยซูคริสหมายถึงคนที่เป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสหมายถึงคนของพระเยซูคริสหมายถึงคนที่นมัสการพระเยซูคริสหมายถึงคนที่รักและยำเกรงพระเยซูคริส หมายถึงคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์หมายถึงคนที่มีชีวิตเหมือนพระคริสต์พี่น้องครับถามว่ายากไหมคําตอบก็คือไม่ง่ายนะครับยากเอาการอยู่ครับดังนั้นการมีชีวิตอยู่ของคริสเตียนเราต้องพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาเราต้องพึ่งพาพระยุน ญ, ญานบริสุทธิ์ตลอดเวลาเราต้องทูลขออธิษฐานวิงวอนตลอดเวลา เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะไปถึงมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งไว้ให้ได้พี่น้องครับโยบนั้นเป็นคนของพระเจ้าโยบนั้นเป็นคนชอบธรรมท่านเป็นคนน้มันสการพระเจ้าท่านเป็นพยานให้กับพระเจ้าท่านยำเกรงพระเจ้าท่านอยู่เพื่อพระเจ้าท่านเคารพติดตามพระเจ้าพี่น้องครับ <stressed> นี่แครับคือชีวิตของโยกถึงแม้กระนั้นก็ตามดูเหมือนว่าโยบน่าจะจบชีวิตลงด้วยความสะดวกสบายเพราะว่าเขาเป็นคนยำเกรงพระเจ้าแต่พระเจ้าได้พิสูจน์ถึงคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์แม้ว่าเกิดสถนการณ์ใดๆในชีวิตของเขาผู้นั้นเขาก็ยังคงรักพระเจ้าอยู่ผู้นั้นยังคงอดทนเพื่อพระเจ้าอยู่ แม้ว่าจะไม่เข้าใจผู้นั้นดำเนินไปด้วยความศรัทธาในพระเจ้าความศรัทธาของโยบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจนกระทั่งพระเจ้านั้นสำแดงความยิ่งใหญ่และลัทมีภาพของพระเจ้ากับเขาและเขาก็พบกับความจริงอีกขั้นหนึ่งตัวของเขานั้นได้ถูกยกขึ้นไปยูบนความเชื่อความศรัทธาอีกขั้นหนึ่งชีวิตของเขานั้นถูกยกขึ้น อยู่ในรัศมีภาพอีกขั้นหนึ่งเข้าสู่พระสลิใกล้เข้ามาอีกขั้นหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือก้าวสูงขึ้นไปครับแต่และก้าวแต่และก้าวที่เราจะต้องผ่านไปเมื่อเราผ่านไปพี่น้องครับเราก็จะมีพระสลิของพระเจ้าอยู่ในตัวของเรามากขึ้นแลาจะถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้นเราจะทำอะไรหลายอย่างเพื่อพระองค์มากขึ้นได้ และเราจะสามารถที่จะเป็นพยานนมัส ก, การพระองค์อยู่เพื่อพระเยซูมากขึ้นได้ประการสุดท้ายในเช้าวันนี้ครับก็คือความหมายประการที่3ของการมีชีวิตอยู่อยู่เพื่อดําเนินชีวิตตามครองธรรมครับอยู่เพื่อดําเนินชีวิตตามครองธรรมพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ 2: องข้อยีบอกว่าเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามโครงธรรมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดําเนินชีวิตตามกลองธรรมพระกัมภีอีกบทหนึ่งครับในโรมบทที่ 6: กข้อสิบอกว่าซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นมีเป้าหมายคือความชอบธรรมครับเราจะต้องมุ่งสู่ความชอบธรรมดําเนินชีวิต อยู่ในความชอบธรรมตามหลักการของพระเจ้าอยู่ในทำนองคลองธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเดมเนินชีวิตอยู่ตามคลองธรรมอยู่ตามความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็เราจะค่อยค่ก้าวเข้าไปนะครับก้าวเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์มากขึ้นสู่ชีวิตที่อยู่ในทำนองคลองธรรมมากขึ้นอยู่ในความชอบธรรมมากขึ้นเป็นคนชอบธรรม เมื่อเราเชื่อพระเยซูเราชอบทมโดยความเชื่อครับและในขณะเดียวกันเราดำเนินสู่ความชอบธรรมสู่ความบริสุทธิ์ในชีวิตนั่นคือการดำเนินชีวิตสองอย่างนี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่มันเป็นขั้นตอนเราถูกดับว่าเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อครับและเรากำลังเดินเข้าสู่ความชอบธรรมอันบริสุทธิ์ก็คือ กระบวนการการชำระตัวให้บริสุทธิ์ครับ2 อ, อย่างรวมกันเป็นหลักการที่สําคัญมากในพระคัมภีร์เพราะความเชื่อจึงถือได้ว่าเป็นคนชอบธรรมเช่นเดียวกันครับหลักคําสอนสําคัญในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการดําเนินชีวิตการมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์มีฐานะที่เป็นคนบริสุทธิ์เหมือนพระคัมภีร์เดิมกล่าวว่าของใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆในพระวิหารนั้นทุกอย่างนั้นต้องบริสุทธิ์ รวมถึงบุคคลที่ปณิบัติรับใช้ก็ต้องบริสุทธิ์ทั้งสิ้นพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นจะต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์เดินไปสู่ความชอบธรรมความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วก็เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ได้พี่น้องครับเราเห็นหลักการที่สําคัญมากๆเลยครับว่าเมื่อชีวิตของเราบริสุทธิ์มากเท่าใด พระเจ้าก็จะใช้เราได้มากขึ้นเท่านั้นมันแปลผันตามกันครับแต่ชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์พระเจ้าใช้ไม่ได้พระเจ้าใช้เขาไม่ได้ครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราเตรียมตัวที่จะรับใช้พระเจ้าอย่าลืมครับชีวิตสำคัญที่สุดการที่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่เพื่อพระเยซูและอยู่เพื่อ เราจะได้รับความชอบธรรมที่บริสุทธิ์พี่น้องครับเราเจะเห็นว่าอักขทูดยอนนั้นกระตือรื้นที่จะกล่าวกับคนในสมัยของเขาสมัยนั้นนะันมีการข่มเหงความเชื่อพี่น้องครับยอนกล่าวว่าอย่างไงครับอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทำโปรดฟังครั้งครับเป็นข้อสรุปในเช้าวันนี้ อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทมปรากฏอยู่ในธรรหนึ่งยอห์นบทที่3มข้อที่7ครับพี่น้องพี่น้องครับชีวิตของเราต้องเดินเข้าหาความบริสุทธิ์เราจะต้องมีชีวิตกับพระเจ้ามีชีวิตเพื่อพระเยซูมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ชอบธรรมนั่นแหละครับการความหมายของการมีชีวิตอยู่ อาเมน